เหตุที่ทุกขศาสตร์เป็นธรรมที่ควรกําหนดรู้สมุทัยศัตร์เป็นธรรมที่ควรละนิโรธาศาตร์เป็นธรรมที่พึงกระทําให้แจ้งและมรรคศัตร์เป็นธรรมที่ควรทําให้เจริญในกระแสจิตของตนเมื่อนักปฏิบัติเจริญสติระลึกรู้รูปนามปัจจุบันจนกระทั่งยังเห็นความเกิดดับแล้วย่อมได้ชื่อว่าเป็นผู้เจริญอริยศัตร์ทั้งสี่กล่าวคือ การกำหนดรู้รูปนามเป็นปริญญากิจคือการกำหนดรู้ทุกขสัตร์การละความเพลิดเพลินยินดีในรูปนามที่รับรู้ได้สติอยู่เป็นมหาณกิจคือการละสมุทยศาสตรการไม่เกิดขึ้นแห่งตันหาอุปทานกรรมและรูปนามที่เป็นผลกรรม ด้วยการกำหนดรู้ปัจจุบันเป็นสัจชิกิริยากิคือการกระทำนิโรธสัตว์ให้แจ้งการดับตัณหาเป็นต้นดังกล่าวจัดเป็นการดับชั่วขณะ ด, ด้วยวิปั ส, สนาซึ่งเรียกว่าตัทังคะนิโรธเมื่อบรรลุอริยมรรคอย่างแท้จริงจึงจะรับรู้การดับของรูปนามทั้งปวงโดยประจักษ์ได้ การอย่างเห็นลักษณะพิเศษของรูปนามแต่และอย่างและลักษณะทั่วไปคือไตรลักษณ์จัดเป็นสัมมาทิฏฐิความดําริชอบเป็นสัมมาสังกปะความเพียรชอบเป็นสัมมาวายามะการระลึกชอบเป็นสัมมาสติความตั้งมั่นชอบเป็นสัมมาสมาธิการไม่ล่วงละเมิดทางวาจามีการพูดเท็จเป็นต้น ในขณะปฏิบัติธรรมเป็นสัมมาวาจาการไม่ล่วงละเมิดทางกายมีการฆ่าสัตว์เป็นต้นเป็นสัมมากรรมันตะการไม่ล่วงละเมิดทางกายและวาจาซึ่งเกี่ยวกับการเลี้ยงชีพเป็นสัมมาอาชีวะการเจริญสติระลึกรู้ปัจจุบันอันประกอบด้วยอริยมรรคมีองค์8เหล่านี้จัดเป็นภาวนากิบ คือการเจริญมรรคสัตว์อันหนึ่งมรรคสัตว์ที่เป็นโลกิยะย่อมปรากฏแก่นักปฏิบัติผู้บรรลุอุทยะยพยาัญยาเป็นต้นไปแล้วส่วนมรรคสัตว์ที่เป็นโลกุตระย่อมปรากฏแก่ผู้ที่บรรลุมรรคยานด้วยเหตุดังกล่าวมานี้นักปฏิบัติผู้เจริญสติปัฏฐานย่อมได้ชื่อว่าเป็นผู้เจริญอริยสัจสี่ในทุกๆขณะที่ตามรู้ เท่าทันรูปนามปัจจุบันสมจริงดังสาทกว่าอริยมรตมีองค์แปดชื่อว่ายายะความหมายก็คือเพื่อบรุอริยมรตนั้นแท้จริงแล้วหนทางแห่งการเจริญสติปัฏฐานที่เป็นโลกิยะในเบื้องต้นเมื่อบุคคลบำเพ็ญแล้วย่อมดาเนินไปเพื่อการบรรลุมรตที่เป็นโลกุตระ ในขณะเกิดมรรคยานที่รับรู้พระนิพพานที่เป็นสภาพดับรูปนามทั้งหมดนั้นนักปฏิบัติจะยังเห็นความดับของรูปนามทั้งหมดแม้ว่าเขาจะไม่ได้รับเอารูปนามที่เป็นทุกขัาต์เป็นอารมณ์ก็จัดว่าได้กำหนดรู้ทุกขัาต์เช่นเดียวกันเปรียบเหมือนบุรุษคนหนึ่งมาจากที่ร้อนยิ่งเข้ามาสู่ที่มีความร้อนน้อยกว่าเดิม ย่อมสำคัญว่าเป็นที่เย็นเมื่อไปสู่สถานที่เย็นกว่าก็สำคัญว่าเป็นสถานที่ใหม่เย็นกว่าที่เดิมต่อมาเมื่อไปสู่สถานที่เย็นที่สุดก็สำคัญว่าที่ใหม่เย็นกว่าที่เดิมทั้งสองแห่งผู้ที่มิได้เจริญวิปัสสนาย่อมสำคัญผิดในรูปนามทั้งหมดยกเว้นทุกขเวทนาว่าดีงามมีแก่นสาร ส่วนผู้ที่จเจริญวิปัสสนาย่อมสำคัญว่ารูปนามไม่ดีงามวิปัสสนาจึงเป็นแก่นสารของนักปฏิบัติต่อมาเมื่อเข้าบรรลุมรรคยานรับเอาพระนิพพานเป็นอารมณ์จึงเข้าใจว่าพระนิพพานมีสภาพสงบสุขยิ่งนักและเป็นแก่นสารอันสูงสุดในพระศาสนานี้ปุทุชนทั่วไปแม้จะพิจารณาว่ารูปนามไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตน ตามที่เคยศึกษามาก่อนก็ย่อมสงสัยลังเลใจแต่พระโสดาบันผู้ละสักยัติทิฏฐิคือความเห็นผิดในตัวตนแล้วย่อมไม่ยึบมั่นรูปนามว่าเที่ยงเป็นสุขมีตัวตนแม้ท่านจะขวนขวายเพื่อให้ได้รับความสุขก็จะไม่ทำบาปที่เป็นเหตุให้ตกอบายการละตัณหาของอริยบุคคลในแต่ละระดับมีความแตกต่างกัน ดังต่อไปนี้พระโสดาบันละตันหาที่เป็นเหตุให้ก่อกรรมชั่วอันสรงผลให้ไปบังเกิดในอบายและละตันหาที่เพลิดเพลินในภพมากกว่าเจชาติในกามภูมิพระสกทาคามีละกามตันหาอย่างหยาบและตันหาที่เพลิดเพลินในภพมากกว่าสองชาติพระอนาคามีละการรมตันหาอย่างละเอียด พระอระหันต์ละตัณหาที่ยินดีในรูปฌานและอรูปฌานพร้อมทั้งรูปภพและอรูปภพท่านเป็นเช่นกับคนเข็นใจที่ร่ำรวยเป็นเศรษฐีและได้รับราชาพิเศษต่อมาจึงไม่ยินดีในกิเลสที่เหมือนกับความเป็นคนเข็นใจนิโรธสศาตร์ คือพระนิพพานที่ประจักษ์แก่นักปฏิบัตินั้นมีสภาพสงบดับรูปนามสังขารทั้งหมดย่อมปรากฏโดยความเป็นสภาพที่ไม่แปรปรวนและปราศจากนิมิตสันฐานดังข้อความที่กล่าวถึงพระนิพพานว่ามีลักษณะสงบจากรูปนามขันห้ามีหน้าที่ไม่จุติไม่มีนิมิตเป็นเครื่องปรากฏ นักปฏิบัติผู้ประสงค์จะอย่างเห็นอริยสัจสี 4. บรรลุเป็นพระอริยบุคคลพึงเจริญวิปัสสนาที่ประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิเป็นต้นอันเป็นโกโลกิะก่อนต่อมาจะบรรลุมรรคสั์ที่เป็นโล ก, กุตระในภายหลังเพราะวิปัสสนาตั้งแต่ยานแรกจนถึงอนุโลมยานเป็นอุปนิสยปปจัยอันอานวยให้เกิดมรรคสัจ ที่เป็นโลกุตระเนื่องจากอริยมรคมีองค์แปดซึ่งปรากฏในมัคคจิตไม่อาจเกิดขึ้นได้โดยปราศจากวิปัสนามรตที่เป็นโลกิยะจึงเป็นทางดับทุกข์เช่นเดียวกันดังคำภีวิสุทธิมรตกล่าวว่าในบรรดามัคคยานเหล่านั้นผู้ที่ประสงค์จะให้สำเร็จมัคคยาแรกไม่พึงทำอย่างอื่นจากการเจริญวิปัสนา เพราะสิ่งที่ควรกระทำนั้นชื่อว่าได้กระทำแล้วด้วยการเจริญวิปัสนาอันมีอนุโลมยานเป็นที่สุดมรรคนี้คืออริยมรรคมีองค์8ซึ่งเป็นโลกุตระและมรรคที่เป็นโลกิยานับได้ว่าทางแห่งความดับทุกข์ในสังยุตตานิกายสคาธวักมีข้อความที่กล่าวถึงการเจริญอริยมรรคมีองค์แปด เพื่อละกิเลสไว้ว่าดูกระอาโนนภิกษุในพระศาสนานี้ย่อมจเจริญสัมมาทิฏฐิอันอาศัยความสงัดจากกิเลสอาศัยการสารอกกิเลสอาศัยความดับกิเลสน้อมไปเพื่อความสละกิเลสย่อมจเจริญสัมมาสังกัปปะย่อมจเจริญสัมมาวาจาย่อมจเจริญสัมมารกรรมมันตา ย่อมเจริญสัมมาอาชีวะย่อมเจริญสัมมาวายามะย่อมเจริญสัมมาสติย่อมเจริญสัมมาสมาธิอันอาศัยความสงัดจากกิเลสอาศัยความสำรอกกิเลสอาศัยความดับกิเลสน้อมไปเพื่อความสละกิเลสดูกระรานนลพิษุผู้มีมิตร ด, ดีมีสหายดี มีจิตน้อมไปในคนที่ดีย่อมเจริญอริยมรรคมีองค์8ย่อมกระทําซึ่งอริยมรรคมีองค์แปดให้มากได้อย่างนี้ในพระบาลีข้างต้นนี้สัมมาทิฏฐิคือวิปัสนาญาณและมัคคายานสัมมาสังกัปปะคือความดําริที่เกิดพร้อมกับวิปัสนาจิตและมัคคจิตสัมมาวาจาคือสภาพที่ ละมิชาวาจาที่เป็นอนุสัยกิเลสคือกิเลส ท, ที่นอนเนื่องปริยุท ธ, ธานากิเลสกิเลสฟูขึ้นในจิตและวีติกามกิเลสกิเลสล่วงละเมิดทางกายหรือวาจามีใช่หมายถึงการกล่าววาจาในขณะเจริญวิปัสสนาและมักแม้สัมมากัมมันตะและสัมมาอาชิวะก็มีในเดียวกัน สัมมาสติคือการเจริญสติปัฏฐานสี่ซึ่งรับรู้สภาวะปัจจุบันอันได้แก่กองรูปเวทนาจิตและสภาวะธรรมสัมมาสมาธิคือคณิกะสมาธิที่มีกําลังเทียบเท่าอุปจารสมาธิในระดับอวิปัสนาญาณตั้งแต่ญาณแรกจนถึงอนุโลมญาณและมีกําลังเทียบเท่าปฐมฌานในระดับ มักคยานในคัมภีร์อัตกถาได้อธิบายข้อความข้างต้นว่าพึงทราบเนื้อความนี้ว่าภิกษุย่อมเจริญสัมมาทิฏฐิอันอาศัยความสงัดจากกิเลส ช, ชั่วขณะอาศัยความสงัดจากกิเลสโดยเด็ดขาด และอาศัยความสงัดจากกิเลสด้วยการหลุดพ้นซึ่งอธิบายได้ว่านักปฏิบัติผู้หมั่นเจริญอริยมรรคนี้ย่อมเจริญสัมมาทิฏฐิอันอาศัยความสงัดจากกิเลสชั่วขณะโดยหน้าที่และอาศัยความสงัดจากกิเลสด้วยการหลุดพ้นโดยอาศัยในขณะเจริญวิปัสสนาแต่ในขณะเกิดมรรคยานเธอย่อมเจริญสัมมาทิฏฐิอันอาศัยความสงัดจากกิเลส โดยเด็ดขาดโดยหน้าที่และอาศัยความสงัดจากกิเลสด้วยการหลุดพ้นโดยความเป็นอารมณ์พึงทราบในนี้ในสัมมาทิฏฐิอันอาศัยการสำรอกกิเลสเป็นต้นเพราะการสำรอกเป็นต้นก็มีเนื้อความเหมือนกับความสงัดความสงัดจากกิเลสที่เรียกว่าวิเวกมีห้าอย่างคือหนึ่งตงัังเาวิเวก ความสังหัดด้วยเหตุนั้นๆที่เป็นคู่ปรับกันเช่นเมื่อนักปฏิบัติ บ, ตบรรลุวิปัสนาญาณตั้งแต่พังคยานอันอย่างเห็นความดับของรูปนามเป็นต้นไปย่อมไม่เกิดอนุสัยกิเลส ท, ที่นอนเนื่องในอารมณ์ซึ่งพบเห็นในขณะนั้นและไม่เกิดกิเลสฟูขึ้นในจิตพร้อมทั้งกิเลส ท, ที่ล่วงละเมิดทางกายและวาจา 2. วิัำพนะวิเวกความสงัดจากนิวรณ์โดยข่มไว้ด้วยกำลังของอุปจารสมาธิและอัปนาสมาธิ 3. ส, สมุตเฉทวิเวกความสงัดจากกิเลสโ ด, ดยเด็ดขาดด้วยโลกุตระมักความสงัดจากกิเลสโ ด, ดยขาดด้วยโลกุตระมักส 4. ปฏิปัสสทิวิเวก ความสงัดจากกิเลสโดยสงบประงับด้วยโลกุตระผล 5. นิสสารณวิเวก ค, ความสงัดจากกิเลสโดยสลัดออกจากสังขารคือพระนิพพานในขณะบรรลุมรรคยานที่รับเอาพระนิพพานเป็นอารมณ์นั้นวีรตีเจตสิกสามดวงคือสัมมาวาจาสัมมากรรมตะและสัมมาอาชีวะ ย่อมเกิดขึ้นพร้อมกันโดยลัทุจริตทางกายและวาจาทั้งหมดอย่างไรก็ตามในขณะบรรลุวิปัสนาญาณวิรตีเจตสิกก็เกิดขึ้นได้เช่นกันแต่ไม่เกิดพร้อมกันเหมือนในขณะบรรลุมักดังข้อความในคำภีอัตถกถาว่ามักมีสัมมาวาจาเป็นต้นสามอย่างเป็นวิรตีเจตสิก ประกอบได้ไม่แน่นอนและไม่ประกอบพร้อมกันหรือเจตนาเจตสิกเป็นต้นก็ได้แต่ในขณะบรรลุมักเป็นวิรติเจตสิกเท่านั้นเจตสิกที่ประกอบได้แน่นอนและประกอบพร้อมกันเสมอข้อความนี้หมายความว่าเมื่อบุคคลต้องการรักษาศีลในขณะงดเว้นจากกายทุจริต และวจีทุจริตสมาวาจาเป็นต้นนั้นจัดเป็นวิรติเจตสิกแม้ในขณะที่บุคคลกระทำความดีทางกายวาจาและใจสมาวาจาเป็นต้นก็เป็นเจตนาเจตสิกหรือจิตที่เกิดพร้อมกับเจตานานั้นแต่ในขณะบรรลุมรรคสมาวาจาเป็นต้นจัดเป็นวิรติเจตสิกโดยแท้ ด้วยเหตุนั้นสัมมาวาจาเป็นต้นในขณะเจริญวิปัสนาจึงเป็นกุศลจิตที่ประกอบด้วยเจตนาในการทำความดีดังคําอธิบายในคมพีดีกาว่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในสิกขาปัตถาวิพังว่าสิกขาบทคือวิรติเจตสิกเจตนาและสัมปยุตต ธ, ธรรมทั้งปวงดังนั้น พระอัตกขถาจารย์จึงกล่าวว่าวิรติโยปิโหติเจตนายโยปิเป็นวิรติหรือเจตนาเจตสิกเป็นต้นโดยเนื่องด้วยวิรติและเจตนาที่เป็นประธานในเรื่องนั้นอีกในหนึ่งพึงประกอบวิรติเจตสิกในเวลางดเว้นจากการพูดเทศเป็นต้นและพึงประกอบเจตนาเจตสิกในเวลาพูดถ้อยคาที่ไพเราะ เป็นต้นจตุสัจกรรมฐานสรุปความว่านักปฏิบัติพึงตามรู้ทุกขศาสตร์และสมุทยาศาสตร์พร้อมทั้งบาเพ็ญ น, นิโรธศาสตร์และมรรคศาสตร์ด้วยการน้อมใจไปในธรรมดังกล่าวการปฏิบัติธรรมในลักษณะนี้ชื่อว่าจตุสัจกรรมฐานคือกรรมฐานที่ทาให้แทงตลอดสัจจะสี เป็นกรรมฐานที่อำนวยประโยชน์ให้นักปฏิบัติบรร ล, ลุมรรคผลได้ดังข้อความว่าจตุสักจกรรมฐานคือกรรมฐานที่นำแทงตลอดสัจจะสี่มาให้หรือการภาวนาที่ดำเนินไปโดยเนื่องด้วยสัจจะสี่และเป็นเหตุให้ได้รับความสุขอันวิเศษจึงชื่อว่าจตุสักจกรรมฐานคําว่า จตุสัจ ก, กรรมฐานมีความหมายตามสัพท์2ประการคือ 1. กรรมฐานที่นำการแทงตลอดสัจจะสมาให้ 2. กรรมฐานที่ดำเนินไปโดยเนื่องด้วยสัจจะสในเรื่องนั้นสติกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกเป็นทุกข์สัตตันหาในภพก่อนที่ก่อให้เกิดสตินั้น เป็นสมุทัยสัตว์ความดับของทุกขสัตว์และสมุทัยสัตว์ทั้งสองเป็นนิโรธสัตว์อริยมรรคที่กําหนดรู้ทุกขและสมุทัยและมีนิโรธเป็นอารมณ์เป็นมรรคสัตว์ภิกษุภาคเพียรด้วยจตุสักจกรรมฐานอย่างนี้แล้วย่อมบรรลุพระนิพพานดังนั้นลมหายใจเข้าออกนี้ จึงเป็นทางหลุดพ้นจนถึงอารหัตตมักของภิกษุรูปหนึ่งผู้กำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกภิกษุผู้เจริญสติตามรู้ลมหายใจเข้าออกตามหมวดอนาปานะพึงรับรู้สภาวะสัมผัสของาธาตุลมที่ปลายจมูกหรือริมฝีปากบนโดยกำหนดว่าเข้าหนอ ออกหนอสติดังกล่าวเป็นสติในวิปัสนาที่เกิดขึ้นก่อนจะบรรลุมรรคยานจึงจัดเป็นมรรคสัตว์โดยปริยายแต่เป็นทุขสัตว์โดยตรงเพราะตามจตุสัจเทศนานี้ท่านหมายอาวิปัสนาที่บังเกิดในขณะปัจจุมรรคยานเท่านั้นดังนั้นทุขสัตว์ตามในนี้จึงครอบครุมสติ สัมปยุต ธ, ธรรมที่เกิดพร้อมกับสติรูปอันเป็นที่อาศัยเกิดของสติและลมหายใจเข้าออกอันเป็นอารมณ์ของสติโดยกล่าวสติไว้เป็นหลักสําคัญแม้ข้อความในมหาสติปัฐานสูตรและอัตถกถาจะกล่าวถึงการบรรลุมรรคผลได้ด้วยการเจริญสติปัฐานสี่อย่างใดอย่างหนึ่ง แต่นักปฏิบัติอา จ, จเจริญสติปัฏฐานหลายอย่างได้ตามสมควรแก่อารมณ์ที่ปรากฏชัดในแต่ละขณะดังพระพุทธดารัสตรัสแก่พระอุตยะว่าพึงจเจริญสติปัฏฐานสนอกจากนี้นักปฏิบัติพึงจเจริญกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นหลักซึ่งเรียกว่าโมลกรรมฐาน และอา จ, จเจริญกรรมฐานอย่างอื่นได้ตามสมควรอันหนึง่งแม้จะไม่มีข้อระบุไว้อย่างชัดเจนว่าบุคคลไหนควรจเจริญสติปัฏฐานประเภทใดแต่นักปฏิบัติควรจเจริญกายานุปัสนาเป็นหลักเพราะการตามรู้รูปธรรมง่ายกว่าการตามรู้นามธรรมรูปธรรมมีสภาพแปรปลวนและประจักษ์แก่บุคคลทั่วไป นักปฏิบัติจึงควรตามรู้รูปธรรมตามหลักเมื่อสมาธิตั้งมั่นแล้วนามธรรมาก็จะประจักษ์เองเหมือนกระจกเงาที่ขัดสีดีแล้วย่อมจะสะท้อนเงาได้ชัดเจนดังข้อความในคำพีวิสุทธิมักว่าอันหนึ่งถ้านักปฏิบัตินั้นกําหนดรูปตามในนั้นๆแล้วกําหนดนามอยู่ นามย่อมไม่ปรากฏเพราะสภาพสุ ข, ขุมเธอไม่พึงทอดทุระแต่ควรกำหนดใส่ใจตามรู้หมายรู้รูปเสมอเพราะนามมีรูปนั้นเป็นอารมณ์ย่อมปรากฏเองเมื่อรูปได้ประจักษ์ชัดเจนสะอาดบริสุทธ์ดีแก่เธอแล้ว นิสงของการเจริญสติปัฏฐานผู้ที่เจริญสติปัฏฐานตามสติปัฏฐานเทศนานี้ย่อมบรร ล, ลุมรรคผลและนิพพานเป็นพระอรหันต์ผู้ละกิเลสได้โดยสิ้นเชิงสามารถสงบระงับความเศร้าโศกและกล่อมกรวนดับทุกทางกายและโทมนัสทางใจในภพนี้เมื่อได้ปรินิพพานแล้วก็ไม่เวียนตายเวียนเกิดในภพใหม่ ได้รับทุกขะโทมนัตอีกท่านเป็นผู้บรรลุมรรคยานสี่คือโสดาปติมรรคยานสัคาคามิมรรคยานอาณาคามิมรรคยานและอรหัตมรรคยานพร้อมทั้งรู้แจ้งพระนิพพานอันเป็นสภาพดับทุกข์ทั้งปวงสมจริงดังพระพุทธพจน์ในมหาสติปัฏฐานสูตรว่าดูกรภิกษุทั้งหลาย หนทางนี้เป็นทางเดียวที่จะทําให้หลาวศาสตว์บริสุทธิ์ได้ล่วงพ้นความโศกและความรําพันคล่ําครวนได้ดับทุกข์และโทมนัสได้บรรลุอริยมรรคและเห็นแจ้งพระนิพพานได้หนทางนี้คือสติปัฏฐานสี่ประการการเจริญสติปัฏฐานนี้เป็นทางสายเดียวเพื่อชําระกิเลสรู้แจ้งพระนิพพานดังนั้น ผู้ที่เจริญสติปัฏฐานด้วยการละลึกรู้กองรูปเวทนาจิตและสภาวะธรรมอันเป็นปรมาทุลนๆจึงสามารถบรรลุจุดหมายในการปฏิบัติธรรมคือความหลุดพ้นจากวัตสงสารได้อันหนึ่งการเจริญสติปัฏฐานอาจเรียกว่าวิปัสนาภาวนาการเจริญวิปัสนาจะตุสักจกรรมฐาน กรรมฐานที่ทำให้แทงตลอดสัจจะสีและปุพพากคมักหนทางเบื้องต้นในการบรรลุโลกุตระธรรมนอกจากนี้การเจริญภาวนาอื่นเพื่อบรรลุพระนิพพานที่ปรากฏในพระสูตรต่างๆเช่นการเจริญส ม, มปรทานการเจริญอินทรีการเจริญโพชฌงและการเจริญองค์มักเป็นต้น ก็นับเข้าในการเจริญสติปัฏฐานเพราะสติเป็นหลักสำคัญหากประศจากสติแล้วนักปฏิบัติไม่อา จ, จเจริญธรรมอย่างอื่นได้ดังคำอธิบายในคำภีอัตถกถาและดีกาว่าในพระดำรัสว่าเอกายะโนอะยังพิคเวมัคโคดูการะภิกษุทั้งหลายหนทางนี้เป็นทางเดียว นี้หมายความว่าดูกระพิสุท์ทั้งหลายหนทางคือสติปัฏฐานนี้เป็นทางสายเดียวที่ไม่ใช่ทางสองแปลงคําว่าเอกมรโครแปลว่าทางเดียวเท่านั้นเพราะไม่มีทางอื่นที่ทำให้บรรลุพระนิพพานได้ถามว่าพระพุทธเจ้าประสงค์เอาสติปัฏฐานเป็นทางสายเดียวในที่นี้ แต่ธรรมที่เป็นทางสายอื่นนอกนั้นมีอยู่มากมายมิใช่หรือตอบว่ามีอยู่จริงแต่ธรรมเหล่านั้นกล่าวไว้โดยปริยายด้วยคำว่าสติปัฏฐานเพราะเกิดพร้อมกับสตินั้นดังนั้นในนิเทศจึงตรัสถึงปัญญาและวิริยะเป็นต้นแต่ ในอุทเทศได้ตรัสสติไว้อย่างเดียวตามอัธยาศัยของเวนยชนคำว่านัทวิทาปัฏฐปูโตไม่ใช่ทางสองแพรง่งนี้แสดงว่าหนทางดังกล่าวไม่มีหลายสายและเป็นหนทางที่จะทำให้บรรลุพระนิพพานอย่างแน่นอนนอกจากนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระประเจกับพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหมด ล้วนเจริญสติปัฏฐานแล้วเกิดปัญญารู้แจ้งเป็นผู้หมดจดจากกิเลสโดยสิ้นเชิงบางท่านฟังคาถาบทเดียวแล้วบรรลุ ธ, ธรรมเป็นพระอริยบุคคลด้วยการเจริญสติระลึกรู้สภาวะธรรมในขณะฟังธรรมนั้นเองสติปัฏฐานเทศนาจึงเป็นหนทางที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นดาเนินไป บุคคลผู้มีปัญญาปานกลางเจริญสติปัฏฐานอย่างใดอย่างหนึ่งใน21หมวดมดแล้วย่อมสามารถบรรลุ ธ, ธรรมเป็นพระอรหันต์หรือพระอนาคามีได้ภายในเจปีจนถึงเจวันดังคำปฏิญญาที่พระบรมศาสดาตรัสรับรองไว้ว่าดูกระละภิกษุทั้งหลาย ผู้ใดผู้หนึ่งพึงเจริญสติปัฏฐานทั้งสีนี้อย่างนี้ตลอดเจ็ดปีเขาพึงหวังผลสองประการอย่างใดอย่างหนึ่งคืออรหัตผลในปัจจุบันหรืออนาคามิผลเมื่อยังมีขันเหลืออยู่อันหนึ่งในโพธิราชกุมารสูตรพระบรมศาสดาตรัสถึงการบรรลุธรรมภายในวันหนึ่ง หรือคืนหนึ่งของเวเนยชนผู้มีปัญญาแก่กล้าว่าภิกษุผู้เพียรพร้อมด้วยองคุณที่เพียรปฏิบททัติธรรม5ประการนี้เมื่อได้รับผู้แนะนำเป็นพระตถาคตสั่งสอนในเวลาค่ำจากบรรลุคุณธรรมวิเศษในเวลาเช้าเมื่อสั่งสอนใกล้เวลาเช้าจากบรรลุคุณธรรมวิเศษในเวลาค่า องคุณที่เพียรปฏิบัติธรรมเรียกว่าปัฏฐานิยังค้มีห้าประการคือหนึ่งมีความเลื่อมสายในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์วิปัสนาจารย์และแนวทางในการปฏิบัติสองมีสุขภาพดีมีไฟธาตุย่อยอาหารได้ง่ายสามไม่ปกปิดโทษแก่ตนแก่ครูอาจารย์ แก่เพื่อนพรหมจันทร์ 4. มีความเพียรที่มีองค์4คือการยอมให้ร่างกายเหลือเพียงหนังเอ็นกระดูกและการยอมให้เลือกเนื้อในร่างกายเหือดแห้งไปและมีการยอมให้เลือดเนื้อในร่างกายเหือดแห้งไป 5. เกิดปัญญาอย่างเห็นความเกิดดับของรูปนาม คำรับรองในการบรรลุธรรมข้างต้นเป็นพระดำรัสของพระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ธรรมทั้งปวงโดยพระองค์เองและเป็นผู้ตรัสดีตามพระนามว่าพระสุคตจึงไม่ผิดไปจากความจริงดังข้อความในคัมภีร์พุทธวงศ์ว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายมีพระวาจาแน่นอนพระชินเจ้าทั้งหลายไม่มีพระวาจาไรแกนสาร ด้วยเหตุนี้นักปฏิบัติจึงควรเชื่อมั่นพระพุทธดำรัสนั้นแล้วเพียรเจริญสติปัฏฐานเพื่อบรรลุธรรมอันเป็นที่พึ่งของเราทั้งหลายเถิดจบปริเชต ท, ที่สี่ เรามีพระพุทธเจ้าเป็นผู้ชี้ทางดำเนินเรามีพระธรรมเป็นทางดำเนินเรามีพระอริยสงฆ์เป็นสักขีพยาน